วันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันศึกษาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางใดถ้าเราไม่ศึกษา แล้วออกเดินทางเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันได้เหมือกับเวลาที่เราจะเดินทางไปที่ใดสักที่หนึ่งถ้าเราไม่รู้จักทางเราก็ต้องศึกษาทางดูก่อน mm hmm. เช่นเปิดแผนที่ดู หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องถามผู้ที่เขารู้ทางให้เขาช่วยแนะช่วยบอกว่าจะไปอย่างไรถ้ามีคนบอกทางมีแผนที่การเดินทางเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางย่อมเป็นไปได้อย่างงไไ่ายดายจะไม่หลงทางอย่างแน่นอน แต่ถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีผู้บอกทางไปแบบสุม 4, สีุ่มห้าไปลองทางไปลองไปทางนี้บ้างลองไปทางนั้นบ้างโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็จะยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ถ้า ไม่มีความพยายามพอพอไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เกิดความท้อแท้แล้วก็เลยเลิกเดินทางแต่สำหรับบางคนบางท่านอันนี้เป็นกรณีพิเศษที่ไม่มีแผนที่ไม่มีผู้บอกทางแต่เป็นผู้ที่มีความมุมานะมีความอดทน มีความภาคเพียรสูงยอมทดลองทางต่างๆยอมลองผิดลองถูกก็มีโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้บุคคลที่จะลองผิดลองถูกและไปถึงได้นี้ก็คือพระโพธิสัตว์เช่นส ม, มณะโคตมะใน สมัยที่ยังประกอบความเพียรอยู่ยังไม่ได้ตัดสู้เป็นพระอาหารหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องลองผิดลองถูกปฏิบัติหลายอย่างหลายประการด้วยกันแต่เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่จะ รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าผิดร้ อ, องก็ทรงเลิกถ้าถูกก็ทรงดำเนินต่อไปจนในที่สุดก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้บรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุคคลอย่างนี้มีน้อย นานๆานจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นบุคคลเลิศประเสริฐอย่างยิ่งแต่ก่อนที่จะเป็นบุคคลอย่างนี้ได้ก็ต้องสร้างสะสมบุญบารมีต่างๆมาอย่างโชคชนถึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีสิทประการมาในทุกภพทุกชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยไม่หยุดไม่หย่อนจนถึงชาติสุดท้ายคือตอนที่ได้มา เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้เสด็จออกบวชเป็นสมณะโคตมะและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับได้เป็นพระศาสดาให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันนี้ อันนี้เกิดจากภาพบาามีที่พระองค์ได้ทรงสะสมสร้างขึ้นมาในแต่ละภพในแต่ละชาติแต่สำหรับพวกเรานี้ต้องถือว่าเป็นโชคมหาโชคทีเดียวที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้พบแผนที่นั้นเองได้พบผู้ที่จะบอกทาง ให้เราได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ภายในชาตินี้เลยโดยที่ไม่ต้องสะสมบุญวารมีอย่างโชคชนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาติผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนอันประเสริฐก็เท่ากับได้ดูแผนที่ ได้พบกับผู้บอกทางพอดำเนินไปตามแผนที่ปฏิบัติไปตามที่ผู้ที่บอกทางบอกให้ปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากนี่คือความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ต้อง ลองผิดลองถูกต้องหาทางด้วยพ่อองค์เองแต่เนื่องจากพ่อองค์ทรงได้สะสมบารมีมาอย่างมากมายจึงสามารถทำให้พ่อองค์ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้อื่นสอนบอกก็เพราะว่าไม่มีใครรู้ทางนี้มาก่อนนั่นเอง ทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนได้แค่ศีลสมาธิสอนให้รักษาศีลสอนให้นั่งสมาธิให้เข้าฌานเข้ารูปฌานเข้าอารูปฌานแต่ไม่มีใครรู้เรื่องของวิปัสสนาเรื่องของปัญญาเรื่องของอริยสัจสีเรื่องของไตรลักษ อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีใครสามารถบรรลุมากผลนิพพานกันได้ตอนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุและมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกการปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้แค่ชั้นอรูปฌาน รูปปานอารูปปัจานตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นรูปรูปปภมและอรูปปภมแต่เป็นสวรรค์ที่ไม่เที่ยงที่ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาหลังจากที่บุญที่ได้สะสมที่ได้ส่งพาให้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นภมนี้แล้ว ก็จะค่อยๆเสื่อมหมดไปพอหมดไปแล้วบุญจิตก็ต้องร่วงลงมาจากรูปจากอารูปประพรก็ลงสู่รูปประพจากรูปประพรก็ลงสู่เทวโลกมาอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพต่างๆแล้วก็จะเสื่อมลงมาตามลำดับก็จะลงมาสู่ ชั้นของมนุษย์ต่อไปพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาบำเพ็ญหาทางที่จะพาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใหม่ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็บำเพ็ญได้แค่ชั้นอรูปภพแต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยนผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่ได้พบกับโชคลาภอันมหาศาลส า, ามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องสะสมบุญบรารมี อย่างโชคช่ยหลายกับหลายกันด้วยกันดังนั้นพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แนละ้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีนี้หลุดมือไปอย่าคว้าน้ําเหลว เราจะเสียใจภายหลังเพราะโอกาสอย่างนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆคราวหน้าถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แลนะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไรเพราะหลังจากศาสนาพุทธในปัจจุบันนี้หมดสภาพไปแล้วก็จะใช้เวลาเป็นกลับเป็นกันด้วยกัน กว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรุป ม, มาประกาศมาประกาศพระธรรมคาสอนมาสถาปนาพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสา์โลกอีกเราอาจจะไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอีกก็ได้หรือถ้าจะเกิดมีพระพุทธศาสนาอีกก็อาจจะ เป็นเวลาอันยาวนานคือจังหวะมันอาจจะไม่ตรงกันเช่นพระพุทธศาสนาองค์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นมานี้เวลามาปรากฏขึ้นในโลกอาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างมากก็ได้เป็นสุนัขมาอาศัยวัดอยู่อาศัยร่มบุญของ พระพุทธศาสนาแต่ไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ได้อย่างมากก็อาศัยข้าวก้นบาตรที่พระเมตตาแบ่งให้ให้กินให้รับประทานอาศัยสถานที่ภายในวัดเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ปลอดภัยจากผู้ที่มีใจโหดร้าย ธาลุนต่างๆก็จะได้เพียงเท่านั้นถ้ากลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีผู้บอกทางไม่มีแผนที่บอกทางก็จะไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทำได้อย่างมากก็คือศึกษาและปฏิบัติสู่สวรรค์ชั้นพรมนี่คือเรื่องของพวกเราตอนนี้พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเป็นมนุษย์เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีนี้ ให้หลุดมือไปการปล่อยให้หลุดมือไปก็เป็นเพราะว่าเรายังลักกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเอง เป็นอาหารชิ้นเล็กๆน้อยๆไม่สามารถที่จะทำให้อิ่มได้เลยพอหุบเหยื่อก็ไปแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็ถูกเขาลากขึ้นไปจับไปข้าไปแกงไปรับประทานนี่แหละคือความสุขที่พวกเราตอนนี้หลงหลงยึดติดกันอยู่เป็นความสุขแบบนั้น เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอให้ความเพลิดเพลินประเดี๋ยวปะดาวเท่านั้นเองแต่ต้องติดอยู่ ก, กับการหาความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาใดที่ไม่ได้ราบยศสรรเสริญเวลานั้นก็จะเป็นเวลา ที่ทุกทรมานใจหรือเวลาใดที่ต้องสูญเสียราบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ่นกายไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจ <c oughs> เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเวลาที่จะไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ตอนนั้นก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์กมานใจถ้าเปรียบเทียบกับปลาที่หุบเหยื่อที่ติดหยุดลายเบ็ดก็เป็นเวลาที่ตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วถูกกระตุกถุกกระชุดช่ากลากไป ตอนนั้นจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากดังนั้นเราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าความสุขที่พวกเรากําลังหากันอยู่นี้เป็นความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดจะทําให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรายังติดอยู่กับความสุขแบบนี้พอเราไม่มีความสุขแบบนี้เราก็ หามันใหม่เช่นเสียสิ่งใดไปก็หาสิ่งนั้นมาทดแทนใหม่เสียสามีไปเสียภรรยาไปก็หาภรรยาคนใหม่หาสามีคนใหม่เสียสิ่งที่ให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก็หามาทดแทนใหม่เสียร่างกายนี้ไปก็ต้องหาร่างกายใหม่มาทดแทน หาร่างกายใหม่ก็คือก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาหุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดใหม่แล้วก็จะถูกเบดตะขอเบ็ดเกี่ยวปากไว้ให้ทุกทรมานใจไปเรื่อยๆเราควรที่จะพิจารณาความสุขต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เช่นความสุข ที่ได้จากการได้ทรัพย์เวลาได้ทรัพย์มาก็มีความสุขแต่เราลืมไปว่าทรัพย์นี้เราเอามาทรัพวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้าเราไม่หามาเพิ่มใหม่เราเอามาใช้เราก็ได้ความสุขเดียววแล้วความสุขนั้นก็จะหมดไปทรัพย์ก็หมดไปถ้าเราจะจะได้ความสุขใหม่เราก็ต้องหาทรัพย์ใหม่ การหาทรัพย์ก็เป็นการาหาความทุกข์ไปพร้อมๆกันเพราะทรัพย์นี้ไม่ได้มาอย่างง่ายดายไม่เหมือนกับฝนที่ตกลงมาเพียงแต่เอาภาชนะไปรองรับทรัพย์นี้ต้องขวนขวายต้องตะเกียกตะกายต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกว่าที่จะได้ทรัพย์มา อันนี้ก็เป็นความทุกข์ในอกีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็จะต้องหาไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายัางต้องการใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆอยู่แต่ถ้าเราสามารถหยุดการใช้ทรัพย์ได้ไม่ต้องหาความสุขจากการใช้ทรัพย์หันมาหาความสุขจากการทำบุญ จากการรักษาศีลจากการภาวนาเราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ทัพย์ไม่ต้องหาทัพย์ความสุขที่เกิดจากการควบคุมจิตใจควบคุมความอยากควบคุมความคิดปุุงแต่งต่างๆให้อยู่ในความสงบ พอใจสงบแล้วใจก็จะเย็นจะสบายจะอิ่มจะมีความพอไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆดังนั้นเราควรที่จะพิจารณาและเปลี่ยนทิศทางเดินของเราได้แล้วเพราะว่าทางที่เราเดินนี้ เป็นทางที่ไม่ใช่อยู่ในแผนที่นั่นเองเป็นทางที่ไปคนละทางกันแผนที่บอกให้ไปทางทางนี้แต่เราไปทางนั้นแผนที่บอกให้เราหยุดหาทรัพย์หยุดใช้ทรัพย์มีทรัพย์เหลืออยู่ก็เอาไปจหนายจ่ายจ่าย หรือเวลาที่อยากจะเอาทรัพย์ไปซื้อความสุขก็เอาไปซื้อความสุขที่เกิดจากการทําบุญให้ทางแทนไม่ใช่เอาทรัพย์ไปซื้อสิ่งต่างๆที่อยากได้เอาทรัพย์ไปใช้กับค่าใช้จ่ายในการที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะถ้าใช้ทรัพย์แบบนั้นจะได้ความสุขเดียวเดียว แต่จะไม่ได้ความอิ่มความพอและกลับจะได้ความหิวความอยากเที่ยวอีกเพิ่มขึ้นไปอีกไปเที่ยวกลับมาแล้วก็อยากจะกลับไปเที่ยวใหม่ก็ต้องไปหาทรัพย์ใหม่หรือถ้ามีทรัพย์อยู่ก็ต้องใช้ทรัพย์นี้ต่อไปใช้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดพอหมดแต่ความอยากเที่ยวอย่างมันยังไม่หมดก็ต้องไปหางานทาไปหาเงินหาทอง เพื่อที่จะมาเอาทรัพย์มาไปเที่ยวต่อทำ อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆก็จะถึงเวลาที่ไม่สามารถหาทรัพย์ได้ไม่สามารถไปเที่ยวได้ต้องอยู่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้เวลานั้นก็จะมีความเศร้าส้อยเหงามีความว้าเหวมีความทุกข์ทรมานใจ เราความอยากไปเที่ยวจะทำให้เกิดความริ้สุกเหล่านี้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาทรัพย์ที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญเอามาสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจที่จะทำให้เราไม่อยากไปเที่ยวที่ไหน อยู่บ้านเฉยๆได้ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อสิ่งต่างๆซื้อความสุขชนิดต่างๆเราก็เอาเงินมาทำบุญมาสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ทุกข์ยากลาบากเราเห็นเขาได้รับความสุขก็จะทำให้เรามีความสุขและเป็นความสุขที่ทาให้เราอิ่ม ทำให้เราพอทำให้เราไม่อยากที่จะไปเที่ยวที่ไหนทำให้เราไม่อยากไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็จะได้ยุติการหาทรัพย์ได้ถ้าเราไม่ต้องหาทรัพย์เราก็จะมีเวลาที่จะมาบรรพิ น, พนบุญขั้นสูงต่อไปได้ก็คือ การรักษาศีลคือศีลแปดหรือศีลสองรอยิบเจ็ดหรือศีลสิบและมีเวลาที่จะมาบำเพญ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นความสุขที่ได้รับจากการทำบุญให้ฐานนี้เป็นความสุขระดับต้นๆยังไม่มีพลังมาก ไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้รับจากการรักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ยังสู้ความสุขที่ได้รับจากการเจริญจิตตภาวนาไม่ได้แต่ก่อนที่จะเจริญจิตตภาวนาได้ก็จําเป็นจะต้องถือศีลแปดศีลสิศีลสองรอยี่สิบเจ็ดไปก่อน เพราะไม่เฉะนั้นจะไม่มีกําลังที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะใจยังจะไม่ได้ถูกบีบรัดเดินกีดกั้นไม่ให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเองเช่นถ้าถือศีลห้านี้ ยังไม่สามารถที่จะหยุดกามฉันทะคือความอยากในกามอารมณ์ต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณเช่นอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยากรับประทานอาหารตลอดเวลาอยากเวลาอยากจะรับเวลาไหนรับก็รับทันทีอยากจะหาความสุขจาก เครื่องบันเทิงสิ่งบันเทิงต่างๆก็สามารถหาได้ทันทีอยากจะหลับนอนกี่ชั่วโมงก็หลับนอนได้เพราะว่าสินห้านี้ไม่ได้ห้ามนั่นเองถ้าไม่ได้ห้ามก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญจิตตภาวนามาทำใจให้สงบ เวลาก็จะหมดไปกับการรับประทานจะหมดไปกับการดูการฟังสิ่งบันเทิงต่างๆจะหมดไปกับการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้จะหมดไปกับการหลับพักผ่อนหลับนอนแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเอาตื่นขึ้นมาก็จะไม่มีกําลังที่จะมาภาวนาะ หน่ขึ้นมาก็จะเกิดความหิวเกิดความอยากที่จะเสพสิ่งต่างๆต่อเออยากจะรับประทานอยากจะดื่มพอได้ดื่มได้รับประทานแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะออกไปตามสถานที่ต่างๆนี่คื อ, อขอบเขตของศีลห้าศีลห้าไม่สามารถรังงับหรือเบรกการมฉันทะได้ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมพระชนิดต่างๆถ้าอยากจะเบรกเลยหยุดความอยากในกามฉันทะนี้ก็จำเป็นจะต้องถือศีลของนักบวชคือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสอง ร, ร้อยยี่สิบเจ็ดอย่างธรรมเนียมของชาวพุทธเราในวันพระนี้ก็จะ ถือว่าเป็นวันพิเศษเป็นวันที่จะมาถือศีลของนักบวชกันเพื่อจะได้เป็นการฝึกฝนอบรมให้ได้ก้าวสู่การบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ให้ความเอิมความพอความสุขที่จะดับความทุกข์ทั้งหลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจได้แต่เนื่องจากยังเป็นคารวะยังต้องมีภารกิจในการทรมาหากินเลี้ยงดูปากท้องของตนเองและของครอบครัวจึงทำได้เพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คือในวันธรรม ส, สวรรนี้เองจึงมีชาวพุทธที่จะ เข้าวัดกันเพื่อรักษาศีลอุโบสถกันคําว่าศีลอุโบสถก็คือศีลแปดนี่แหละเพียงแต่ว่าเรียกว่าอุโบสถเพราะว่าจะไม่กลับบ้านจะไม่กลับไปนอนที่บ้านจะนอนปฏิบัติอยู่ในพระอุโบสถก็เลยเรียกว่เป็นศีลอุโบสถแต่ความจริงก็คือศีลแปดศีลแปดแล้วเราจะเอากลับไปบ้านไปปฏิบัติต่อที่บ้านก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสถานที่ที่บ้านมันอาจจะไม่เอื้อต่อการ ร, รักษาศีลแปลยกเว้นว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครอันนี้ก็พอที่จะ ร, รักษาศีปลปดได้เหมือนกับอยู่ในพระอุโบสถอยู่ในวันแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นอยู่ด้วยคนอื่นเขาไม่ได้ถือศีลแปดเหมือนเราเขาก็จะ ทำให้เราเขว้ได้เวลาเขารับประทานอาหารเย็นกันเวลาเขาเปิดดูเปิดฟังสิ่งบันเทิงต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้อย่างสะดวกสบายจึงนิยมรักษาศีลอุโบสถกันก็คืออยู่ในวัด เช่นตอนเช้าญาติโยมที่ไปวัดกันก็จะทำบุญตัก บ, บาตรเสร็จแล้วก็จะไปโบสหลังจากรับประทานอาหารน้วก็เข้าโบสฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนเอเรียาบทเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปสวดมนต์กันไปสลับกันไปจนถึงสว่างค่อยกลับบ้านกัน อันนี้ก็คือการเข้าสู่ธรรมขั้นสูงสองระดับก็คือขั้นศีลและขั้นภาวนาศีลก็รักษาศีลอุโบสถศีลแปดแล้วก็บําเพ็ญจิตธรภาวนาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการเดินจงกรมด้วยการพิจารณา ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของสภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้แหละก็คือการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในวันธรรมวัฒนะแต่สมัยนี้จะมีน้อยมากผู้ที่จะอยู่วัดถือศีลแปดกันส่วนใหญ่นี้จะเข้าวัดตอนเช้าตักบาตรพอพระ ท่านให้พรเสร็จและประทานอาหารเสร็จก็กลับบ้านกันตอนเช้าอาจจะมีมาสองสามร้อยคนแต่ที่จะอยู่ต่ออาจจะมียี่สิบสามสิบคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนอายุหกสิบ0็ดสิบแปดสิบขึ้นไปเพราะไม่มีภารกิจที่จะต้องไปทำต่อแต่คนหนุ่มคนสาว เนื่องจากสมัยนี้วันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดวันหยุดท ร, รมาหากินก็ต้องออกไปท ร, รมาหากินต่อดังนั้นเราจึงควรปรับวันพระให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยคือแทนที่จะถือวันพระตามวันขึ้นน้งกาดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ ก็ให้มาถือวันพระในวันหยุดทำงานของเราเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์วันนั้นเรามาถือว่าเป็นวันพระกันาเรามาอยู่วัดมาภาวนามารักษาศีลแปดกันหรือถ้าไม่สะดวกก็กลับไปที่บ้านถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ทำที่บ้านเราให้เป็นพระอุโบสถขึ้นมาเป็นวัดขึ้นมา ด้วยการถอดปลั๊กออกให้หมดเกี่ยวกับเครื่องบันเทิงทั้งหลายไม่ดูไม่ฟังเรื่องบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะใช้เวลาอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการบริกรรมพุทธโธเจริญสติ เดินจงกลงนั่งสมาธิถ้าได้สมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาต่อได้เลยพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผทพภะไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นทุกข์ ถ้าเราไปอยากให้เขาเจริญอย่างเดียวไม่ให้เสื่อมเพราะเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากจะให้ร่ำรวยมากขึ้นไปเรื่อยๆพอไม่รวยมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดความทุกข์ใจหรือถ้าอยากไม่ให้จนพอจนก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะเสื่อมลาบนั่นเองเมื่อเงินทองหมด ก็เรียกว่าเสืมลาภเมื่อเสื่อมรากก็เกิดความยากจนขึ้นมาถ้าไม่อยากยากจนพอยากจนก็จะทุกข์ทรมานใจแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราว่าจะต้องรวยอย่างเดียวจะจนไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณา เพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องพร้อมที่จะให้เขาเจริญนั่เสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราพิจารณาได้เราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดกับลาบยศสารเสรญไม่ยึดไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆเขาจะเจริญก็ปล่อยเขาเจริญไป เขาจะเสื่อมก็ต้องปล่อยให้เขาเสื่อมไปยกเว้นถ้าเราป้องกันได้ทำไม่ให้เขาเสื่อมได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงถ้ารับความจริงได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาบยุตสารเสญของรูปเสียงกลิ่นรสผดทพเพราะเราได้เจริญปัญญานั่นเองเราได้เห็นสัจธรรมความจริงก็คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาของราภยศสารเสริญสุทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมเราไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องยินดีตามมีตามเกิดจเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้วิธีที่จะทําใจให้จเจริญให้ยินดี ให้พอใจกับการเจริญและเสือ่อมก็คือต้องไม่ไปอาศัยเขาเป็นเครื่องมือให้ความสุ kn ั่นเองคือจะไม่หาสายเงินทองไม่อาศัยยศถาบรรดาศักด์ไม่อาศัยการสรรเสริญไม่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพชนิดต่างๆมาให้ความสุขวิธีที่จะไม่อาศัยสิ่งเหล่า น, นี้ก็คือต้องมาทําใจให้สงบเท่านั้น ว่าเมื่อทำใจให้สงบได้แล้วก็จะมีความสุขภายในใจที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผัพภะนั่นเองเมื่อเรามีความสุขภายในใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปอาศัยราบยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะให้ความสุขกับเราเขาจะเจริญเนื้อจะเสือ่อมก็จะไม่เป็นปัญหา กับเราเพราะเรามีความสุขที่เรามีอยู่ภายในใจที่ดีกว่าเหมือนกับเราได้รถยนต์คันใหม่ที่มีราคาแพงกว่ารถยนต์คันเก่าหลายสิบเท่าด้วยกันเรายังจะไปใช้รถยนต์คันเก่าอยู่หรือเปล่าหรือเราจะใช้รถยนต์คันใหม่ นี่ะคือความสุขภายในใจเป็นเหมือนรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่ารถยนต์คันเก่าหลายสิบเท่าเดียกันเรายังจะไปใช้รถยนต์คันเก่าหรือไม่เราจะไม่ใช้หรอกเพราะมันเบียบกันไม่ได้สู้กันไม่ได้เหมือนฟ้ากับดินความสุขภายในใจนี้เหมือนฟ้าความสุขภายนอกใจความสุขของราบยกสรรเสริญสุขนี้ เป็นเหมือนดินถ้าได้ความสุขทางใจแล้วจะไม่ต้องการความสุขทางร่างกายอีกต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการเจริญหรือการเสื่อมของราบยกสารเสืิญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพพระชนิดต่างๆเราอยู่คนเดียวได้อยู่แบบไม่ใช้เงินได้เมื่อไม่ใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงิน ก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั่นเองท่านอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินเพราะท่านมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายในใจของท่านแล้วท่านไม่ต้องอาศัยความสุขเล็กๆ ล, กลกน้อยๆที่ได้จากลาบยศสละเสริญจากเลืกเสียงกลนดลดโพธภพชนิดต่างๆนั่นเองนี่แหละคือเหตุที่ทำไมเราจึงต้องทำทานกัน งานทำทานก็เพื่อยุติการใช้เงินซื้อความสุขทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อความสุขเราก็เอาเงินมาทำทานแทนแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อความสุขต่างๆเพราะเป็นความอิ่มใจสุขใจแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆ เราก็จะได้มีเวลาไปอยู่วัดหรือมีเวลาปฏิบัติได้มีเวลารักษาศีลแปดมีเวลารักษาศีลสองรอยี่บเจ็ดได้มีเวลาภาวนาจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้พอเรามีเวลาแล้วทีนี้ผลที่จะเกิดจากการรักษาศีล ผลที่จะเกิดจากการภาวนาก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับชาวนาชาวไร่ถ้าเขาไม่มีเวลาปลูกข้าวเขาจะได้ข้าวหรือไม่แต่ถ้าเขามีเวลามาปลูกข้าวมามาไถนามาหวานข้าวมาคอยเฝ้าดูข้าวคอยให้น้ำเข้าไปในนาหล่อเลี้ยงข้าวไปเรื่อย ไม่ช้าข้าวก็จะเจริญงอกงามออกรวมออกมาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ข้าวมาเป็นจำนวนมากเพราะเขามีเวลาที่จะมาปลูกข้าวมาดูแลข้าวนั่นเองนี่คือเรื่องของเหตุและผลไม่ได้อยู่ที่ความลึกลับมหัศจรรย์อะไรเลยอยู่ที่การกระทาของเราเท่านั้นเองเราทาอะไรเราก็จะต้องได้รับผลของ สิ่งที่เราทําถ้าเราปลูกต้นมะละกอเราก็จะต้องได้มะละกอเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ได้ปลูกมะละกอแล้วอยู่ดีๆเราก็จะได้มะละกอออกมาฉันได้มากผลนิพพานก็เกิดจากการภาวนาเกิดจากการรักษาสิ่งเกิดจากการทําทานนี้เอง ถ้าเราทำทานเราก็จะมีเวลามารักษาศีลมาภาวนามาเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบแล้วพอใจสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้ตัดหรือหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งหมดปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากทั้งนั้น การมาเกิดนี้ก็เกิดจากความอยากพอได้เกิดแล้วก็เกิดปัญหาอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะมีความสุขก็จะต้องดิ้นลนต่อสู้ขวนขวายแสวงหากระเสือกกระสนทุกวิถีทางแต่จะสู้อย่างไรจะดินลนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะได้ความสุขไปอย่างถาวร เพราะว่าความสุขที่จะได้จากร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้มาภาวนามาทำใจให้สงบและหยุดความอยากได้เราจะพบกับความสุขที่ถาวร น, นี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะเดินตามความอยากต่อไปอยากได้อะไรก็หามาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าหามาได้เท่าไหร่ไม่เคยพบกับคําว่าอิ่มคําว่าพอสักทีไม่เคยพบกับความสุขที่ถาวรสักทีได้ความสุขมาประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไป แล้วก็เกิดความหิวเกิดความอยากได้ความสุขใหม่อีกก็ต้องหาไปอยู่เรื่อยๆหาไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแต่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้พบกับเคล็ดลับความจริงของความสุขว่าอยู่การหยุดความอยากนี่เองถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วก็จะมีความสุขเต็นเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจของเรา ดังที่พระพุทธเจ้าได้หยุดมาแล้วภาษาวกทั้งหลายได้หยุดมาแล้วแล้วก็นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราหยุดได้พวกเราก็จะได้พบกับความสุขเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้พบกันอย่างแน่นอนดังนั้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วขึ้นอยู่ที่การศึกษาให้รูจ้จากทางเดิน เมื่อรู้จักทางเดินแล้วก็ต้องเดินตามรู้แล้วว่าเราต้องยุติการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราต้องเอาเงินที่เราจะซื้อความสุขต่างๆนี้เอามาแบ่งปันมาบรยจาคให้แก่ผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขแล้วเราจะได้มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองอีกต่อไป เราจะได้มีเวลามาหาความสงบกันมารักษาสี่งแล้วก็มาภาวนากันเราคลัวจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ควรจะเอาวันใดวันหนึ่งในในสั ป, ปดาห์หนึ่งนี้มาเป็นวันพระมาเป็นวันที่เราจะมาเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมาถ้าเราเริ่มแล้วต่อไปเราก็จะทําเพิ่มมากขึ้นไปได้ ตอนต้นก็ทำอาทิตย์ละวันต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันเพิ่มไปได้เรื่อยจนในที่สุดก็จะทำได้ทั้งเจ็ดวันทําได้เจ็ดวันก็ออกบวชได้เราก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนอยู่ที่การก้าวอยู่ที่ก้าวแรกนี้เองการเดินทางระยะทางแม้จะยาวเป็นพันกิโล ก็ต้องเริ่มต้นจากการย่างก้าวก้าวแรกนี้เองถ้าไม่ย่างก้าวแรกนี้ต่อให้เวลาผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้แต่ถ้าเริ่มย่างก้าวแล้วพอก้าวที่หนึ่งแล้วก็จะก้าวที่สองที่สามที่สี่ต่อไปเดีย๋ยวเดียวก็จะได้หนึ่งกิโถ้าเดี๋ยก็จะได้สิบกิโลเดี๋ยก็จะได้ร้อยกิโล เดี๋ยวก็จะได้พันกิโลเดี๋ยวก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางการบำเพ็ญของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางนี้เองเราต้องเริ่มออกเดินทางกันได้แล้วด้วยการปฏิบัติในวันธรรมมะสวัสดิอย่างวันนี้ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลของพวกเราอย่างแน่นอน เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติแบบนี้พระสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้เราก็ต้องได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันธรรมศวนะเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพณิเพจาณาและปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรม ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทอ ห ม, มอมออีอะไรไหมก็ อ, อยู่ที่ความพยายามถ้าเราหยุดมันมันก็จะเบาบางลงไปถ้าเราไม่หยุดมันมันก็จะพอกพูนทวีกลืนขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติของความอยากถ้าทําตามความอยากความอยากก็จะหนาขึ้นมากขึ้น ถ้าฝืนความอยากความอยากก็จะเบาลงอ่อนลงถ้าฝืนไปได้นานๆความอยากมันก็จะหายไปในที่สุดถ้ามีปัญญาถ้าเห็นว่าความอยากเป็นโทษเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็จะหายขาดต้องเห็นจากการปฏิบัติว่าเวลาอยากนี่ใจมันร้อนขึ้นมาเหมือนเหมือนไฟนรก เวลาหยุดความอยากได้แล้วไฟนรกนี้ดับไปมันจะเห็นโทษของความอยากทันทีถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่อยากอีกต่อไปตอนนี้เราเห็นแบบทฤษฎีเราฟังอยู่แต่เรายังไม่เห็นฤทธิ์ของมันเวลาที่มันอยากเพราะเวลามันอยากทีไรเรายอมมันทุกทีเราเลยไม่เห็นไฟนรกที่มันจะผลิตเผาใจเรา ในตอนที่เราไม่ทำตามความอยากอยากจะดูไฟนรกก็ดูพวกที่ติดยาเสพติดนื่แหละเวลาอยากจะเสพแล้วอยาไม่มียาจะให้เสพนี่เป็นอย่างไรคนที่อยากจะสูบบุหรี่แล้วเวลาไม่มีบุหรี่ให้สูบนี่เป็นอย่างไรแล้ว อ, อย่างเราเราเวลาที่เราอยากจะดื่มกาแฟแล้วไม่มีกาแฟให้ดื่มมันจะเป็นอย่างไรเราไม่เคยต่อสู้กับมันเลย เราเลยไม่เห็นฤทธิ์ของมันไม่เห็นโทษของมันทุกครั้งที่มันต้องการอะไรเรารีบประเคนให้มันทันทีต้องการกาแฟะนะมาทันทีต้องการขนมมาทันทีต้องการดูอะไรนะมาทันทีไม่มีบอกว่าเดี๋ยวก่อนหยุดวันนี้ขอหยุดสักหนึ่งวันถ้าจะหยุดก็ต้องหยุดแบบถูกบังคับเช่นไฟดับ ตอนนั้นก็หงุดหงิดนึกนักนึ ก, กักไปจนกว่าไฟจะปิดพอไฟติดก็หายหงุดหงิดกันเราสังเกตุถ้าในเมืองนี้ถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาทั้งวันเนี่ยวุ่นกันทั้งเมืองอนั้นมันต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจเหมือนกับหมอที่เห็นว่าเชื้อโรคเชื้อเอชไอวีนี่เป็นต้นเหตุ ข, ของโรคเอชอี ก็จะไม่ไม่เสริมเชื้อเข้าไปให้มีมากขึ้นมีแต่จะหาวิธีกําจัดมันให้มันหมดไปดังนั้ น, นถ้าเราเห็นโทษของความอยากเราก็จะพยายามทุกวิธีทางที่จะหยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็ส่งมอบเครื่องมือที่จะช่วยให้หยุดความอยากไม่ทรมานมากจนเกินไปก็คือให้เรามีสมาธิก่อนถ้าเรามีสมาธิแล้ว ใจเรามีความสุขสำรองอยู่เวลาขาดความสุขจากสิ่งที่เราอยากได้ก็จะไม่ทรมานใจมากคนที่มีสมาธิแล้วรับรองได้ว่าเลิกกินกาแฟได้เลิกเสพยาเสพติดได้เลิกไปเที่ยวได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี่นยากอยู่บ้านก็มดนินเศ้าส้อยน้อยเหง า, หหงาว่าเว่ขึ้นมา แต่ถ้ามีสมาธิมันจะไม่เศร้าส้อยหน่อยหเหมันจะสบายนี่สมาธิจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากต่อการต่อสู้กับความอยากถ้าไม่มีสมาธิแล้วสู้ความอยากไม่ได้แบบไหนก็ได้วิธีการอบรมใจให้มีความสงบเป็นสมาธินี้มีอยู่สี่สิบ วิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิธิ์จะใช้กรรมฐานชนิดใดก็ได้แล้วแต่จริตกูบาจารย์แต่ละองค์ท่านได้แบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นแต่มันอาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้หรือว่าถูกแต่เราไม่ได้ปฏิบัติให้มันได้ผลขึ้นมาเพราะกว่าจะได้ผลนี้มันต้องมีความปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คือการเจริญสตินี้ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผลเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกแล้วต้องคอยมันรดน้ำพรวนดินไม่ใช่ปลูกวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งหือปลูกแล้วก็ทิ้งมันไว้สักสิบวันค่อยมารดน้ำสักครั้งหนึ่งไอ้อย่างนี้มันก็จะไม่ปรากฏผลขึ้นมาการเจริญสตินี้ต้องเจริญอย่างต่อเนื่อง ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าสามารถทําให้มันต่อเนื่องได้ไม่เผอเลยการทําใจให้สงบนี้จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพอใจสงบแล้วก็จะมีความอิ่มความสุขพอออกจากความสงบนี้มาความสงบนี้ก็ยังติดมากับใจอยู่เหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น เวลาออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันไม่มันไม่หายไปทันทีความเย็นมันยังเย็นอยู่แต่มันก็จะค่อยๆจางไปเรื่อยๆสมาธิความสุขที่ได้จากสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆนี้ยังจะมีความสุขเต็มที่เหมือนขนาดที่อยู่ในสมาธิแล้วจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆตอนนั้นแหละจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องอ มาต่อสู้กับความอยากต่างๆเช่นเวลาออกจากสมาธิมาพออยากจะดื่มกาแฟก็บอกไม่ดื่มถ้ายังไม่มีเหตุผลจะให้ดื่มก็ไม่ดื่มถ้าไม่มีเหตุผลให้รับประทานก็ไม่รับประทานถ้าจะทำตามความอยากจะไม่ทำเราก็จะสู้กับมันไปได้สักระยะหนึ่งพอสมาธิเราอ่อนกำลังลงแล้วทีนี้ความอยากมันเริ่มมีอัพกลังมากขึ้นมันก็จะ เดินเราไปทำตามความอยากได้ถ้าเราไม่อยากจะทำนล้นะเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่กลับไปสร้างความ ส, สร้างความสงบขึ้นมาใหม่เหมือนกับน้ำเย็นที่เราเอามาจากตู้เย็นมันมันความเย็นมันหายไปหมดแล้วถ้าอยากจะให้มันเย็นใหม่เราก็ต้องจับเอาเอาน้ำกลับเข้าไปแช่ในตู้ใหม่ฉะนั้นใดเวลาเราออกมาภาวนา ออกจากสมาธิมาเดินจงกรมมาพิจารณาทำต่างๆแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาจนถึงขีดที่เราไม่สามารถที่จะสู้มันได้เราต้องหยุดแล้วเรากลับเข้าไปในในสมาธิใหม่การปฏิบัติจึงต้องสลับกันระหว่างสมาธิและปัญญาพอสมาธิอ่อดกําลังลงก็เหมือนน็น้ํามันจะหมดแล้ว ก็ต้องแวะเข้าปัม๊มเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนพอเติมเต็มถังแล้วก็ออกไปขับรถต่อไปจนกว่าใกล้จะหมดก็กลับเข้าปั๊มใหม่เติมใหม่นี่คือการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานเป็นแบบนี้การเดินทางเพื่อหยุดความอยากต่างๆก็เป็นแบบนี้พอพลังของสมาธิเริ่มอ่อนลงก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปชาริ กำลังใหม่พอมีกำลังแล้วก็ออกมาต่อสู้กับความอยากใหม่ต่อไปจนในที่สุดก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ต้องหยุดด้วยสมาธิต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนหยุดด้วยปัญญาปัญญาก็ต้องคอยสอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ได้อยากได้มาไ ม, ไม่สามารถให้ความพอได้นั่นเอง ได้เงินมาร้านหนึ่งก็ยังไม่พออยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็ยังไม่พออยากจะได้ร้อยล้านมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆท่านว่ า, ามหาสมุรนั้นถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามเขายังมีฝัง่งมีฝามีขอบแต่ความอยากนี่ไม่มีฝัง่งไม่มีฝา ไ, ไม่มีขอบ ม, มันจะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สมัยเด็กๆเราได้เงินกินขนมวันละยี่สิบบาทเราก็ดีใจเราก็อยู่ได้สมัยนี้เรามีเงินยี่สิบบาทเราอยู่ไม่ได้เสแล้วเพราะเราอยากจะใช้เงินมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้บางทียี่สิบบาทนี้อาจจะมากเกินไปก็ได้ ก็ให้พิจารณาไปในในในในการเพื่อที่จะหยุดความอยากต่างๆนั่นเองให้เห็นว่าความอยากของเรากับสิ่งต่างๆนี้มันเป็นเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขแล้วมันไม่ได้ให้ความความาไม่ได้ให้ให้เราสมใจได้อะไรมามันก็จะเสื่อมหมดไปในที่สุด ล้าก็หยุดใช่ไหมมันก็จะพาให้เราไปคิดถึงกาแฟบ้างขนมบ้างคิดถึงการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่บ้างตอนนั้นเราก็ต้องหยุดแล้วเราก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิต่อมันจะกิเลนมันจะเด้งเราไปทางรูปเสียงกิน่นรสปดตาพะทันเวลาที่สมาธิเราอ่อนเพราะว่าใจเริ่มผิวแล้ว กิเลสมันก็จะให้เราไปหาอาหารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเพื่อเติมอาหารใจพอใจได้อาหารแล้วก็จะไม่หิวกับรู้เสียงกลิ่นลโผลตับตาก็จะสามารถเจริญปัญญาต่อไปได้การเจริญปัญญานี่ก็ทําแบบเป็นทําการบ้านคือถ้าเรายังไม่ได้ เข้าห้องสอบหรือไม่ถูกบังคับให้เข้าห้องสอบเราก็ทําการบ้านไปก่อนเช่นเราต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นเช่นความแก่ความเจ็บความตายการพัดท่าจากบุคคลที่เรารักพัดท่าจากสิ่งที่เรารักโดยการประสบพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนทําการบ้านไว้ก่อนพอถึงเวลาที่ต้องเข้าห้องสอบ ก็จะได้ทําข้อสอบได้แต่ถ้าเราถูกบังคับให้เข้าห้องสอบทันทีทันใดก็ต้องแก้ปัญหาในขณะนั้นเลยต้องใช้ปัญญาแบบสดสดร้อนๆอนเลยเช่นออกมาจากสมาธิกรรมาเจเอกับงูเลยอย่างนี้อันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณารักษาให้ใจไม่ให้กลัวไม่ให้ทุกข์ด้วยการพิจารณาว่า ร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันจะต้องตายตอนนี้ก็ต้องปล่อยมันไปแต่จะไม่ตื่นเต้นตกใจห ว, วาดผวาวิ่งหนีหรือหาอาวุธมาทำร้ายงูตัวนั้นจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นจะรักษาความเป็นอุเบกขาของใจไว้เพียงอย่างเดียวอันนี้ถ้าอยู่ในปัจจุบันทันด่วน ต้องใช้ปัญญาทํำได้ก็ต้องใช้ลักษณะเดียวกันว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ภายใต้อํานาจของเราที่จะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเรามีเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราก็จะไม่มีความอยากไม่อยากจะข่าม ง, งูไม่อยากจะวิ่งหนีจากงูอยู่กับมันไปอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าเราอยู่ที่เฉยแล้วส่วนใหญ่สัตว์ไม่ทําำใจเราแต่ถ้าต่างคนต่างตกใจต่างคนต่างทาท่ า, าทํ า, าทางก็มันก็เลยเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องป้องกันตัวเองก็จะต้องทํำลายศัตรูทันทีเการเจริญปัญญานี่จะเป็นสองลักษณะถ้าไม่ยังไม่ต้องเข้าห้องสอบก็ทําการบ้านไปก่อนเรายังห่วงเรื่องอะไรยังทุกข์กับเรื่องอะไรก็ทําการบ้านไปก่อน ิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราเข้าใจแนละ้วเราปล่อยได้แนละ้วเวลาเกิดเหตุการเราก็จะรู้ว่าปล่อยได้จริงหรือไม่ได้จริงเช่นห่วงพ่อห่วงแม่พ่อแม่ตายไปหรือเป็นอะไรไปเป็นโลกร้ายรักษาไม่หายใจของเราจะวุ่นวายหรือเปล่า รู้ใจของเราก็เป็นปกติเหมือนไม่มีเหตุการณ์นะอะไรเกิดขึ้นทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้อันนี้คือเรื่องของปัญญาก่อนจะคิดในทางปัญญาได้ก็ต้องมีความสงบก่อนเพราะถ้าไม่สงบใจมันจะหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง ใจก็จะโมวแต่คิดแต่เรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสตรงไหนมีรูปเสียงกลดดิ่นรสดีก็อยากจะไปกันการความอยากขึ้นมาแต่ถ้าใจมีความสงบมีสมาธิแล้วมันมีมันไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะสามารถาทำการบ้านคือเจริญวิปัสสนาไดา้เจริญปัญญาได้ พอได้ทําการบ้านแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องเข้าห้องสอบก็จะทําข้อสอบได้อย่างง่ายดายถ้าไม่ได้ทําการบ้านไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบก็ต้องสอบตกเท่านั้นอันนี้เป็นตรกรกะไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเหมือนกันเป็นนักเรียนถ้าไม่ทําการบ้านเลยถึงเวลาสอบจะผ่านหรือเปล่าไม่มีวันผ่านได้ไดันั้ผู้ที่ จะต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ต้องทําการบ้านก่อนต้องสอนใจให้เห็นโทษของความอยากต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นไม่ได้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวมีความทุกข์แถมมาด้วยนั่นเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความสุขที่ได้มาได้ไม่คุ้มเสียพูดง่ายๆถ้าถ้าได้รับข้อมูลอย่างนี้แล้ว ใจก็จะต้องตัดสินใจได้อย่างแน่นอนว่าไม่เอาแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับแฟนวุ่นวายมีเรื่องมีราวความสุขก็ได้เดี๋ยวเดียวส่วนใหญ่ก็จะมามีเรื่องกันนาคอยวิตกกัวงวลมาห่วงใยกันมาห่วงกันมามีความรู้สึกไม่ไว้วางใจกันบ้างใดๆคนเดียวก็เริ่มสงสัยว่าไปทําอะไร นี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นความสุขได้ก็ตอนที่เจอกันเดียวๆดียวนั้นเองให้พิจารณาให้เห็นว่าทุกความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ฟลายเบ็นี้เองเรามากักจะมองไม่เห็นเบ็ดกันเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่ที่ติดมากับความสุขน็กๆน้อยๆที่ได้จากราบยศสรรเสริญที่ได้จากลูกเสียงกลิ่นลดผลภ า, านั้นเอ จึงต้องใช้ปัญญาคอยพิจารณาสอนใจซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมเพราะเกิดความอยากขึ้นมาก็บอกว่าเป็นทุกข์นะพอรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่านี่คือการเจริญปัญญาเป็นสองลักษณะทําการแบบทําการบ้านและแบบเข้าห้องสอบถ้าไม่ได้ทาการบ้านก่อนเวลาเข้าห้องสอบส่วนใหญ่ก็จะไม่ผ่าน ต้การบ้านก่อนถึงจะผ่านได้เช่จนจะลัางรับการมารมได้นี้ก็ต้องพิจารณาอาสุภระอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าไม่เห็นอาุภระนี่เวลาเกิดการมาลมนี่มันดับไม่ได้แต่ถ้าเห็นอาสุภระมีอสุภระอยู่ภายในใจพร้อมที่จะโผลขึ้นมาตามคำสั่งพอเกิดการมลลมก็ให้นึกถึงอสุภระ ม, มันก็จะดับการมลลมได้ทันที หรือไม่ต้องสั่งเลยต้องอัตโนมัติเลยเพราะเกิดการมาลมปั๊บอสุภะก็โผล่ขึ้นมาเลยมันก็จะดับได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่เจริญอสุภะมาก่อนมันจะโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราไม่สะสมมันไว้ในใจก่อนเหมือนกับเราไม่ท่องสูตรคูนก่อนถึงเวลาเราจะคูนเลขนี้เราจะคูนอย่างไรเราก็ต้องมานั่งเปิดตารางตารางดูว่าไอ้สองคูสองมันเท่าไหร่เนาะปคูแปดมันเท่าไหร่ ถ้าไปเปิดตํารานี้มันก็ไม่ทันการแล้วมันไม่อยากจะเปิดแล้วตอนนั้นเวลามันเกิดการอารมมันไม่อยากจะไปเปิดดูอสุภะแล้วมันอยากจะไปหาหาคนที่ทําให้มันได้เสกการอารมแล้วดังนั้นเราต้องทําการบ้านก่อนอเวลาออกจากสมาธิเราเราต้องพิจารณาไตรลักษณ์อณิจจังทุกขังของนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาธาตุสี่ดินานา้าลมไฟ การพิจารณามันก็มีหลายลักษณะหลายแล้วแต่ปัญหามันอยู่กับเรื่องใดเช่นถ้าเป็นการอารมก็ต้องพิจารณาอสุภถ้าเป็นเรื่องของกลัวความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตุกตาตัวหนึ่งใจเป็นผู้ที่ได้รับตุกตานี้มาเลี้ยงดูไปวันวันหนึ่งท่านั้นเอง ใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายแก่เจ็บตายไม่ได้ทำให้ใจนี้แก่เจ็บตายตามร่างกายไปด้วยการพิจารณาทำแต่ละชนิดนี้มันมีเครื่องมือที่ต่างกันไปต้องศึกษาไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะต้องถามครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเพราะถ้ามีครูบาอาจารย์นี้จะบอกเครื่องมือหมือนการเรียนแพทย์นี้ จะผ่าตัดตรงไหนมันมีวิธีการผ่าไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายกันแต่มันก็มีความพิเศษของมันอยู่ที่ไม่เหมือนกันถ้าไม่เคยทํามาก่อนเดี๋ยวก็ทําผิดได้แต่ถ้าถามครูบาอาจารย์ที่เคยทํามาแล้วก็จะทําได้อย่างถูกต้อง น, นการมีครูบาอาจารย์เนี้ยเป็นคุณเป็นประโยชน์มากแต่ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วที่รู้จริงเห็นจริง ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะเป็นโทษได้แทนที่จะเป็นคุณกลับเป็นโทษได้เพราะแทนที่จะสอนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็อาจจะทาสอนให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้พระพุทธเจา้าจึงทรงสอนว่าอย่าเชื่อทันทีทันใดแม้แต่ครูบาอาจารย์เราเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนท่านสอนให้เราทาอย่างนี้เราลองทาดูแล้วผลมันตรงกับที่ท่านพูดหรือเปล่า ถ้ามันตรงกันก็แสดงว่าใช้ได้ถ้าท่านสอนอย่างหนึ่งแล้วท่านบอกว่าผลเป็นอย่างนี้พอไปทาแล้วมันมันตรงกันข้ามกับที่ท่านสอนนั่นนี้ก็ต้องหน้าสงสยัยเแล้วไว้ช้าจะไม่ใช่ทางเสแล้าแสดงว่าท่านอาจจะไม่รู้จริงแล้วก็ได้ของเหานี้พิสูจน์กันได้ปกปิดกันไม่ได้คนที่จะมาแอบอ้างว่าตนเองรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ เราไม่สามารถปกปิดผู้ที่เขามีปัญญาที่จะพิสูจน์ได้เัง น, นการเชื่อก็จําเป็นการไม่เชื่อก็จําเป็นเหมือนกันเชื่อก็ต้องเชื่อแบบเหตุมีเหตุมีผลไม่เชื่อก็ต้องไม่เชื่อแบบมีเหตุมีผลเหมือนกันไม่ได้เ ช, แบบชื่อแบบงมงายหรือไม่เชื่อแบบงมงายก็ไม่ถูกทั้งสองทางต้องมีเหตุมีผล ต้องพิสูจน์ได้เช่นนักวิทยาศาสตร์นี้เขาเชื่อกันเพราะว่าเขาพิสูจน์ได้เช่นเขาบอกสองบวกสองเป็นสีนี้ทุกคนก็เชื่อได้ยอมรับความจริงได้เพราะพิสูจน์เทไรมันก็เป็นอย่างนั้นทุกทีไปเขาบอกว่าโลคนี้กลมนี้ก็เชื่อได้เพราะเวลาพิสูจน์แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันทั้งที่พระเจ้าสอนก็พิสูจน์ได้เหมือนกัน พี่เจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแล้วก็ความอยากจะหยุดได้ก็เกิดจากการเห็นไตแล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันสิ่งที่เราอยากนี่ทําให้เราเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่สามารถทําตามความอยากของเราได้อันนี้พิสูจน์ได้ภาษาวกแต่ละองค์จึงไม่มีใครมาคัดค้านพระพุทธเจ้า ว่าทิศบีของพระพุทธเจ้านี้ไม่ถูกว่าอริยสัจ ส, สี่นี้ไม่ใช่เป็นความจริงไม่มีพระอริยสงสารูปเดียวแม้แต่รูปเดียวที่จะมาพูดอย่างนั้นเลยดีแต่ว่าสาธุสาธุพระอัญญาณกนทะญะพอได้ยินได้ฟังก็เต่งออกมาเลยว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอา น, นิจจังเนี่ยมันบอกแนละ้ว เป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจ์เพราะมันจะไม่ได้ทำให้เราสมหวังมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นร่างกายนี้เราไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่แหละคือการพิสูจ พ, พุทธศาสนาจึงเรียกว่าสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงพิสูจน์ได้ด้วยตนเองพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงายสอนให้เอาไปพิสูจน์ดูถ้าจะเชื่อก็บแบบเชื่อแบบคนไข้เชื่อหมอนั่นเองหมอบอกให้เอากินเอายาหนี้ไปรับประทานถ้าไม่เชื่อหมอไม่รับประทานก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาหนี้จะรักษาโรคได้หรือไม่ แต่ถ้าเอาไปรับประทานแล้วก็จะรู้เองว่าหมอคนนี้ให้ยาเราถูกหรือยาเราผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อเอาไปพิสูจน์ดูแล้วจะรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องปฏิบัติตามมีใครไหมอยากจะถามอะไรไหมมีคําถามทาง facebook ว่ามเป็นคำถามตอกคร้างจากทางเฟซบ o ๊กนะครับจากคุณถื่นฟ้าสายลมนะครับข้อที่หนึ่งนะครับหากภาวนาไปจนจิตสงบในวงเล็บไม่มีความคิดไม่มีความฟุง้งแต่ยังได้ดินเสียงอยู่แต่ไม่รวมลงเป็นหนึ่งถึงตรงนี้เริ่มใช้ปัญญาพิจรารณาได้หรือยังครับ การจะใช้ปัญญาพิจารณานี้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิแบบไหนก็ยังพิจารณาไม่ได้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเหมือนกับขณะที่เติมน้ำมันรถยังอย่าไปขับรถอย่าขับรถออกจากปั๊มต้องรอให้เติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนเมื่อเติมเต็มถังแล้วค่อยขับรถออกจากปั๊มไปเวลาขณะที่จิตสงบเป็นอุเบกขาไม่ว่าจะเป็นแบบที่ยังรับรู้เสียงหรือไม่ก็ตาม ต่นขณะนั้นไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเวลานั้นกําลังเจริญอุเบกขาอยู่กําลังเจริญส ม, มะถะความสงบอยู่ปล่อยให้สงบไปให้นานที่สุดจนกว่าจะอิ่มตัวพออิ่มตัวแล้วจิตจะถอนออกมาพอเริ่มคิดปรุงแต่งนี่แสดงว่าเริ่มออกจากปัมแล้วทีพอออกจากปัมแล้วก็ต้องควบคุมความคิดให้ไปคิดไปในทางปัญญาอย่าปล่อยให้คิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความอยาก อย่นี้ถึงจะเรียกว่าจเจริญปัญญาต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนไม่ว่าจะเป็นสมาธิแบบเต็มรูปแบบคือทุกอย่างหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้หรือสงบแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายไปกับเสียงที่ได้ยินอย่างนี้ยังไม่ให้ทําอะไรทั้งนั้นให้จิตพักให้จิตเติมความสงบให้เต็มที่ก่อนพอจิตได้พักได้เติมความสงบอย่างเต็มที่แล้ว พ อ, อ, อจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ดึงมาคิดในทางปัญญาคิดไปในทางตายรักเช่นคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาต้องจากเราไปเขาไม่แน่นอนวันนี้เขาอาจจะอารมณ์ดีรักเราซื้อของขวัญซื้อขนมมาให้เรากินพวกนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเขาอาจจะด่าเราว่าเราตบตีเราก็ได้ ให้คิดอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเรามีปัญญารู้ทันเราก็จะไม่เสียใจครับคำถามข้อที่สองข้อสุดท้ายนะครับเคยลองพิจารณาดูความโกรธโดยใช้การเดินจงกรมโดยยกเอาเรื่องที่กำลังมีปัญหากับคนอื่นแต่พอพิจารณาไปเหมือนพิภมันแสดงตัว เพราะพิจารณาไปแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ผิดยิ่งพิจารณามันกัดโกรธมากขึ้นจนใจเต้นแรงหายใจแรงเหมือนกำลังโกรธจริงๆคิดว่าไม่ได้กาแล้วเลยต้องหยุดพิจรารณาหันมาพุทโธข่มใจที่โกรธนั้นลงไปนี่หมายถึงว่าเราแพ้ตามโกรธใช่ไหมครับอย่างนี้ควรแค่ไขอย่างไรครับ คือเราพิจารณาไม่ถูกเหตุถูกผลนั่นเองเตกของความโกรธไม่ได้อยู่บุคคลที่เรามีปัญหาด้วยเอกของความโกรธนีน่อยู่ที่ความอยากของเรานี่เองเราอยากให้เขาทําตามความอยากของเราพอเขาไม่ทําตามความอยากของเราเราก็โกรธเั่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทําตามความต้องการของเราเราก็จะไม่โกรธเขา ดังนั้นเวลาเราโกรธใครเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเราอยากให้เขาทำอะไรหรือเปล่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราอยากเราก็ต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากหยุดความอยากเราต้องปล่อยเขาไปเขาอยากจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาอยากจะดื่มชูราต่อไปก็ปล่อยเขาเดื่มไปแต่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเท่านั้นเอง การพิจารณาความโกรธพิจารณาปัญหาต่างๆต้องมาแก้ที่ใจของเราอย่าไปแก้ที่อื่นที่อื่นไม่ใช่เป็นต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาอยู่ในใจเราอยู่ในความอยากนี่เองที่เราโกรธเขาก็สแสดงว่าเราทุกข์แล้วเราไม่สบายใจแล้วเราถึงโกรธเขาความโกรธของเรามันเกิดจากเขาหรือเลือเกิดจากความอยากของเรานั่นแหละเราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้กลับมาแก้ปัญหาให้ถูกจุด ปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากและคําตอบของเราก็คืออยู่ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคําถามทุกคําตอบมันอยู่แค่นี้แหละแต่เราไม่รู้กันเองทุกคําถามทุกปัญหาเกิดจากความอยากและทุกคําตอบก็เกิดจากการเห็นอนิจออนนนนนนจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะหยุดความอยากได้เพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ ดังนั้นเวลาเกิดความโกรธเกิดความไม่สบายใจให้เข้ามาแก้ที่ใจของเราถามว่าตอนนี้เรากำลังอยากอะไรอยู่บุคคลนั้นที่มีปัญหากับเราเรากำลังอยากให้เขาทำอะไรใช่ไหมอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาไม่ยอมทำตามที่เราอยากใช่ไหมเท่านั้นเองพอเราหยุดคว า, แ ล, วาแล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าถ้าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องเป็นอนัตตา เมื่อเป็นอนัตตาเราถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราก็ต้องหยุดเช่นเราไปสั่งให้ฝนหยุดได้ไหมเวลาฝนตกถ้าเราไม่ไปอยากให้ฝนหยุดไปสั่งให้มันหยุดได้หรือป่าฝนมันจะตกเราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปจนกว่ามันจะหยุดเองแล้วมันไม่หยุดก็ปล่อยมันก็เป็นเรื่องของฝนไม่ใช่เรื่องของเราคนอื่นเขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปสั่งให้เขาหยุดเราหยุดความอยากของเราเท่านั้นเอง ท่าหนหึงบอกว่าชนะตนเป็นการชนะที่แท้จริงการชนะผู้อื่นถ้าชนะก็เป็นชนะแบบสร้างเวรสร้างกรรมเพราะไปบังคับจิตใจเขา<ม>ก็จะทําให้เขาโกรธแค้นโกรธเคืองเราอาฆาตพยาบาทเรา<ม>นั้นแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ใจของเราความโกรธก็เกิดจากความอยากความไม่สบายใจก็เกิดจากความอยากต้องมาแก้ที่ใจของเราแล้วทุกอย่างก็จะ ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปคือปัญหาภายนอกเราไปแก้ไม่ได้ทุกอย่างหรอกคนเขาจะทำอย่างนั้นาเขาจะ ท, ทำอย่างนี้เขาจะเผาบ้านเผาเมืองเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาจะเผาเขาเผาแล้วเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของการเผาของเขานั้นเองต่อไปจะมีผลหรือไม่ช้าหรืเร็วนั้นก็ช่วยไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรื่องของเราก็คือดับความทุกข์ใจของเราให้ได้ถึง เราดับได้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่เกิดจากความโกรธเกิดจากความอยากนี่เราดับได้ด้วยการหยุดความอยากด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตา <Okay. S 1> เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เท <Okay. S 1> ่านั้นเองเราก็จะหายจากความทุกข์ใจนั่งดูก็เผาบ้านเผาเมือได้อย่างสบายมึงมีปัญญาเผาก็เผาไป หมดแล้วใช่ไหมคำถามมีใครอยากจะถามอะไรไหมก็ต้องฝึกสติไปก่อนฝึกสติไปก่อนง่ายจะตายไปเราขี้เกียจเองอ่ะพุโทโธพุโทโธอนนี้มันยากตรงไหนไหก็ไม่ยอมพุโทโธกันท่องไปเ็กพุโทโธตอนเด็กๆยังท่องกอไก่ผอไข่ได้เลยเวลาเรียนหนังสือวเวลาไมเราท่องวิชาต่างๆได้ เพราะเรามีฉันทาวิริยะที่จะทําแต่พอมันให้เจริญสติกับไม่มีฉันทาวิริยะที่จะเจริญเลยเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของการเจริญสติแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าแล้วเราจะมีฉันทาวิริยะเหมือนกับการที่เราเรียนหนังสือเราจบแพทย์ได้ก็เพราะว่าเรามีฉันทาวิริยะที่จะเรียนที่จะทําการบ้างเราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะว่าเรามีฉันท์ที่จะเจริญสตินี้ อย่าไปโทษอะไรทั้งนั้นโทษอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่มีฉันทาวิเดีเราไม่เห็นคุณค่าของการเจริญสติถึงต้องฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆฟับงบ่อยๆแล้วจะเข้าใจถึงความสําคัญของสติและจะทําให้เราถ้าเราต้องการมรรคผลวิพานต้องการหยุดพ้นจากความทุกข์จะทําทให้เราขวนขวากับการเจริญสติอย่างแน่นอนพอทําแล้วจริงๆมันไม่ยากเดียเด๋ยวเดๆแค่นั้นเอง พุโทโธมันจะไปยากอะไรคำเดียว <Yeah. S 1> นะฟังเทศฟังตามไปเรื่อยๆฮะอใช่ทำอะไรก็พุโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับการ <c oughs> การงานต่างๆสิ่งที่จำเป็นจะต้องคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้ก่อนแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นก็อย่าปล่อยให้มันคิดแนั้นเองเอาพุโทโธมาสกัดแทนแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายสงบเร็ว พอสงบแล้วก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับความยากมีพลังที่จะพิจารณาตายรักได้ไม่ยากเลยอยู่ที่ไม่ทำเท่านั้นเองที่มันยากเพราะไม่ทำถ้าทำแล้วมันจะยากได้ไงคนบอกว่าเรียนหมอยากทำไมคนก็เรียนจบหมอกันได้ก็เพราะว่าเขาเรียนกันเขาตั้งใจเรียนกันคนที่ไม่เรียนก็เรียนไม่จบกันาถเท่านั้นเองคนที่มัคนที่ได้มากผลที่ผานก็เพราะว่าเขา เขาจเจริญเขาจเจริญสติกัน mm hmm. เอาละนะก็จะให้พรถ้าใครมีอะไรอยากจะถามต่อไปทีหลังก็เข้ามาได้ mm hmm. ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกาปะติ อิชิตังปฏตติตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีขายุโภวะ อาพิวาทนสีลิสะิจังวุธาปจายโนจตารโธมามวทานติอายุวันโนสุขังภาลาง คำคำพาจารณ์อยู่ค่ะแต่พอดีมีวันห น, นึ่งมันมีแต่นั่งสมาธิไปแล้วพอมันสงบแล้วมันเห็นเป็นมิจฉิสเป็นแบบว่าตอนแรกลูกนึกว่า สเอนเนืน้อหนังของลูกอะมันถลอกออกไปมันลอกออกไป<ช>แต่จริงจิงแล้วพอดูดูดูไปลูกก็พิจาาเอ๊ะนี่มันแขนเราเหรอที่ที่หนังถลกถ ล, ลกออกไปแล้วในนั้นมันก็จะเห็นชัดว่าเป็นเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นหน้องเส้นเลือดขอยอะไรแบบชัดเจนมากเลยเพราะมันถลกถลกถลกไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นหน้าวัวหน้าควายค่ะด<ช>อกไม้เห็นเป็นกระดูกเนอะไรอลูกก็แบบเหมือนเราห้ามใจไม่ได้ที่จะพิจารณานะคะ คือลูกก็บอกขาอาลูกทำไม่ได้ทําไม่ได้อย่างที่อาจารย์ภาชาจบอกคือมันพิจารณาของมันไปเองอะค่ะในในน้ําน่ยคือถ้าพิจารณาแล้วเป็นประโยชน์ก็ปล่อยให้พิจารณาได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วมันเพ้อเจอมันไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องใช้พุทโธอะไรสกัดมันไว้เหมือนเหมือนเหมือนมันจะแค่ตัวลูกแต่มันแ่ตัวลูกไม่ใช่ตัวรูมันจะบอกว่ามันต้องเห็นตัวเราว่าเป็นเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนังต้องเหี่ยว อะไรอย่างเงี้ยดูได้ดูตามความเป็นจริงแต่ถ้ามันเป็นความเพ้อฝันเพ้อเจอก็อย่าไปดูมันเหมือนมันบอกว่าเราเราก็เป็นเหมือนสัตว์โลกทั่วไปเราต้องแก่ต้องเก็บข้าวไกลกองกระดูกี้ เหมือนแบบว่ามันพ่วงท้อนไปหมดทั้งกระดูกพุ่งดูไฟเราดูเลือเราก็เกิดน้ำมันพุกี่สิบก็กี่สิบชาตได้ถ้าดูแล้วทําให้เราปล่อยวางร่างกายได้ก็ใช้ได้เราไม่ต้องรอไม่ต้องรอก็ได้งานที่บอกบางทีมันมันมันมาให้เราเข้าห้องสอบทันทีทันใดเราก็ต้องเราก็ต้องใช้มันให้เป็นเราต้องเอามาใช้เพื่อดับความยึดติดในร่างกายของเราเพื่อดับความกลัวความแก่ความเจ็บความตายให้ได้เท่านั้นเอง ตัว่าแล้วคอตกเห็นเนี้ยมันก็จะมีมีแบบมีคนมาบอกเราหรือมีเสียงที่มาบอกมาบอกคนปฏิบัติธรรมต้องสง่าขรายยกขึ้นแสดางว่าเราเพ้สติ ข, ขึ้นเลยเเพ้สติแล้วตรงนั้นมาจากไหนพะพเจ้ า, า, จาก็มันเป็นธรรมที่มาเตือนใจเราท่านเองมันจะมาจากไหนไม่สําคัญน ะ, ะอะไรจะมาจากไหนขอให้มันดูว่ามันมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้ามีประโยชน์เราก็เอามาใช้ ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องไปสนใจอาจารคะแล้วม า, มาแล้วที่ลูกเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มลูกลูกจะเริ่มจากวุทเริ่มต้นรูกแล้วปฏิบัติสายขอนหลวงพ่อค่ะแต่ลูกก็ทิ้งมานานก็คือไม่ได้ปฏิบัติเลยล้มลุกคานมานานจนมาฟังเทศฟงทงังธรรมหลวงตามหาบัวแล้วก็เริ่มมาหันมาปฏิบัติครั้งหนึ่งอยู่ๆวันนั้นน่าจะมาธิ อยู่แล้วมันดูอยู่กลับมายัางไงนะคะก็คือแบบตัวเราเป็นตัวเราเป็นพระในในตัวเราเป็นองค์พระองค์พระที<ม>ตัวละแล้วก็ท่ต้องต้องต้องไปจนแบบมันทนลุไ เ, เลยแล้วลูกก็ในความรู้สึกของลูกก็เอ๊ะเหมือนเหมือนแบบมันลูกไม่ผิดหรือเปล่าลูกเอ๊ะคือมันเผิดไม่ผิดไม่สําคัญอ่ะเวลาเกิดขึ้นให้เราใช้ปัญญาแยกแยะดูเอาว่าความจริงกับความไม่จริงมันเป็นยังไง ตอนนี้เราเป็นอะไรกับสิ่งที่เรามันมาบอกเราเลยนะมันถ้ามันไม่ตรงกันก็เราต้องแยกแยะว่ามันไม่เหมือนกันแ ต, แ, ตแต่แต่ก็มีคำตอบอีกนะฮพระอาจารย์มีคำสอบว่าไม่เป็นไร<ม>เป็นคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหมองทร์เลยค่ก็คือให้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบักหามอันไหนถ้ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็เอามาใช้มาถ้าไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษก็โยนทิ้งไปเหมือนเข้าให้ของมา หยิบได้เลยนะต้องการอะไรชร์ยหยิบเอาตามสบายเขา<อ>ให้ของดีมาแล้วก็เก็บไว้เขาให้ ข, ขยะมาแล้วก็โยนทิ้งไปเทนั้นเองเราต้องมีปัญญารู้จักแยกแยะสิ่งที่คําตอบที่ที่ออกมาก็ไม่สําคัญมันจะมาจากที่ไหนไม่สําคัญขอให้เรารู้ว่ามันเป็นคุณเป็นหรือเป็นโทษเท่านั้นเองก็คือถงทำให้กรกกระด้างไปเลยเ<อ>ไม่เป็นลาเป็นคำนั้นก็คือสมเด็จสมเด็จจะเป็นของใครก็ไม่สําคัญสําคัญว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษ ถ้าเป็นโทษก็อย่าไปเอามาถ้าเป็นคุณก็เอามาใช้ใชถ้านั้นเองหยิบได้นะตามสบายอข้างล่างมีเมชาวนี่แจกอยู่แค่ล่องมเมชาวนี่ได้เปล่าไม่ได้เลยไม่ได้เอาใ้เสียงไม่ได้หยิบก็หยิบก็ เป็นไงไม่แต่วายสังฆทานมาดีไหมก็ดีดีค่ะอดีนะอ่เดี๋ยวก็ทนาีกาก็้องปเจ้าภาพอ่าอ่าดีทาไปเรื่อยๆแทนที่จะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าก็มาทําทแทนนี่ค่ะคือก็ตอนนี้ก็คือคิดแต่ทำมเดียวอ่าทแล้วอิ่มใจสดใจนะซื้อกระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวก็หมดละเดี๋ยวก็อยากจะซื้อใหม่เงี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่งขึ้อ นั่นแหละต้องทำทางก่อนใจมันจะได้หยุดความอยากได้ในระดับหนึ่งเราจะได้รักษาศินต่อไปได้เนีเราเอย่างเราคิดว่าเราจะคิดวันหนึ่งเราจะถือสินเราจะต้องอไม่ต้องไม่ต้องให้ร่วมสินแปดมีอะไรได้ไหมเราก็ให้มีที่ที่เหมาะเช่อนอยู่คนเดียวหรืออ<ๆ>นั่นแหละเพราะถ้าอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวมันรบกวนกันมันขัดกันได้ให้มีที่สงบสงบไม่ยุ่งกับใครแล้วก็รักษาไปเท่านั้นเอง การขออราธนานี้เป็นการไปถามว่ามีอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้ก็ต้องไปถามพระถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องถามแล้วแล้วตังิว่าเราแล้วก็บอกวันนี้วันพระจะขอรักษาหนึ่งวันตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานั้นก็ว่าไปพยายามทำเถิดของดีของวิเศษนะพวกเราไปหาขยะมานานแล้ว ตอนนี้หาของดีมากเลยขยะเอาออกไปแล้วก็กระป๋งกระเป๋าของฟุ่มเฟอยต่างๆเนี่ยของขยะทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวโยนทิ้งกันหมดแล้วอแต่ศีลนี่ทานนี่มันเป็นทรัพย์ภายในเนี่ยเป็นอริยทรัพย์หล่อเลียงจิตใจให้มีความอิ่มเอิบ ม, มีความสุขทําให้มากๆน ะ, นะถือศีลแต่แล้วก็ต้องภาวนาด้วยนะควบคู่กันไปต้องพูด จะเป็นุทโธวะได้พูทโธบ้างสวดมนต์บ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างนั่งบ้างเดินบ้างทำไปเถิแล้วจะก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะอ่ะก็อ๋อแล้วเราก็ต้องศึกษาทําก่อนเราถึงจะรู้ถ้าเราไม่มีทําเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันถูกหรือไม่ถูก อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอาจารยน ะ, ะถ้าไม่ศึกษ า, าจะไม่รู้ได้ไงรู้ไปลางมาเลยไม่ต้องไม่ต้องประเคนไป อ, อ, อ่าหนาูมองท า, างนี้นี่ไงออยู่ข้างล่างเลย ได้ยินเสียงไหได้ยินดีนะที่กว้างนั่งได้กว้างขวางเลยอ่าเรไปนเครื่องขยายมาตัวก็ดีนะแอ่อถามถามเรื่องสีมูสาได้ไหมคะก็ความพูพูดไม่ไม่ตงกับความจริงับมุสาแล้วล่ะพูดไม่เออไม่มุสานี่เป็นคม คูดไม่ตรงกับความจริงแต่ศีนข้ออื่นนี้เขาเรียกว่าพูดพูดคำหยาบแล้วที่เขาบอกเพรเอร์เซอร์เหลวไหลพูดเพอา์เซอรแบบว่านินทากาเลพูดเรื่องนิยายเรื่องคนนั้นคนนี้เสียเวลาอย่าไปพูดนะมันเสียเวลาพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ด้วยกันหาเงินอย่างไรเอทําอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์พูดในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลที่มีสาระอย่าไปพูดเรื่องนินทากาเล แล้วก็อย่าพูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียดหมายถึงว่าอย่าไปยุยงให้คนอื่นเขาแตกสา ม, มัคคีกันเช่อย่าไปยุยงสามีภรรยาให้เขาแตกกันด้วยการไปหลอกเขาว่าสามีไปทําอย่างนู้นทําอย่างนี้อจะทําให้ภรรยาเกิดความเครือบแคลงสงสัยเป็นบาปเพราะไปทําให้เขาแตกแยกกันเราอาจจะมีผลประโยชน์คือเขาแตกแยกแล้วเราจะได้ไปเอาสามีเข้าก็ได้ บางคนเขาพูดเพื่อจะหวังผลประโยชน์แบบนี้เป็นบาปเป็นกรรมอย่าไปทำคนจะพูดให้เขารักกันพราคนรักกันเขาจะมีความสุขถ้าคนก o i เกลียดกันจะมีความทุกข์เราเป็นคนมีวยความเมตตามีคนรักษาศีนีิจะไม่อยากจะให้ใครเขามีความทุกข์กันเราต้องพยายามพูดให้ประสานอย่าพูดให้เกิดการแตกแยกมีห้าข้อไม่ให้พูดบดไม่พูดคาหยา ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อไม่ให้พูดสอเสียดรู้สึกจะมีสีมไม่ใช่ห้าสีอะว่าสดีดไหมคะไม่หมายถึงคาพูดที่ไม่เหมา ะ, ะที่ไม่ควรพูดนะอ๋ะอชัดขึ้นอ่าเนาะเขาอยนั่งลงพูดง่อยด้วยนั่งลงง่ายงย แล้วปู่แล้วเหร อ, อหยิงง้มแย้มจ่มใสอะนี่นดีใจเลยดีใจนะ<ร>ปู่ก็ดีใจอา้าอันนี้ก็หมายปู่หลุกตายนคน้าคืออันนี้ติดเ่มีกัญญาอันนี้เอาไปใส่ปู่ มีแผนซีดีใหม่นะซีดีชุดใหม่็ดีที่สิบสองที่ผ่านมาเป็นมรดกของเขาครับเออก็ไม่ได้มากาบท่านเจ้าอาวาสคดีคุณพ่อที่ได้ได้มากราบเลยก็เสียละก็ไปสู่สุคติแล้วนะก็กราบขอบพระคุณเมตตาของท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยครับเอถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ตายไม่ใช่เป็นคนนะ เป็นดินน้าลมไฟคนนี้อยู่ในใจอยู่ในจิตคนไม่ได้ตายคนไปเกิดใหม่ไปกับจิตนะไม่มีใครตายสาราหลังนี้มันก็เป็นพียงดินน้าลมไฟมันก็พังไปเท่านั้นเองร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนสาลาเป็นที่อยู่อาศัยของใจชั่ว์ข่าวพอหมดสภาพก็ต้องทิ้งเหมือนไปพอดีเพิ่ง เพื่อมาเ ป, เ, ปเป็นจุดร่วมสหรับเี่ยอ่าเชิญ ม, มาหยุดนังสือได้นะเขเข้ามาูช อ, อ่เชิญตั้งการหนังสือตั้งการซีดีก็หยุดเนอะ มาด้วยกันนะวันนี้ก็มาบ่อยจำหน้าได้อเอาเอาเอาวางไว้ตรงนี้เลยช่วยอางไว้แล้วก็หยิบหนังสือซีดีไปได้เนี่ยจะหยิบตามสบายก็ ม, ยมีเก่าบ้างใหม่บ้างแผ่นซีดีมีแผ่นใหม่เรียกธรรมะบนเขา เอาใส่ยึ ม, มาหยิบเลยนี่ธรมะบนเขาเป็นชุดใหม่งานบวดใบวเสร็จแล้วเลยใช่ะะามะบนเขากทำที่เราเทศบนเขานี่อัดไว้ ชุดนี้เมื่อตงสมัยพ่อแม่ครัวอาจารย์อยางบ้านตาบอยู่ก็ไปกราบกันเป็นประจำปีสามสี่คนนะครับเออดีเข้าหาครูบาอาจารย์ก็เหมือนเข้าหาแสงสว่างกใจเรามันมืดบอดต้องสายแสงสว่างของครูบาอาจารย์ส่องเข้าไปะจะได้ไม่หลงทางกันไม่งั้นมันจะหลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ครับ ถ้ามีแสงสว่างก็จะพาเราเดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านพยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ตอนนี้ท่านไม่อยู่แต่ร่างกายแต่ธรรมองท่านยังอยูอ่ธรรมะที่ท่านแสดงไว้ในเทปก็ดีในซีดีก็ดีในหนังสือก็ดีก็เป็นองค์ท่านนะได้อ่านได้ฟังก็เหมือนกับได้ไปกราบท่านโดยตรงพยายามศึกษาต่อไปฟังเทศฟังธรรมต่อไป ก็คงสคมแบบนได้โอกาสงาก็มาใหม่นะให้ค่ะมสุขความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการเทิน